ในกลุ่มมังจา ก, กมาร่วมธ ร, รมวัดเย็นด้วยกันเนาะหลังจากที่ปลูกต้นไม้มาปลูกได้เท่ากับโยงตัวเองไหมอายุเท่าไหรแล้วก็ปลูกท่านั้นไหมดีก็มาร่วมธ ร, รมวัดเย็นกันวันนีนะ้การสาธยายมนก็ดี ที่ว่า ด, ดีพรมามีอนิสงส์ผลที่เกิดจากการทำวัดสุดมนทำให้ใ จ, จิตใจระ่องใสสงบอิ่ม อ, อกอิ่มใจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมันไม่ใช่เป็นจิตอกุศลมันพ้นจากจิตอกุศลคำว่ามันก็โลง่ง จิดเป็นกุศลฉลาดขึ้นมารู้อัฏฐะพยัญชนะความลึกซึ้งของภาษาว่าพูดหมายความว่าอะไรธรรมะธรรมชาติเป็นของปัณีละเอียดลึกซึ้งจนกระทั่งองค์สมเด็จสัมมาสเจ้าได้พูดไวช้ชัดว่าธรรมะที่เราตัดสรูว์เราดันละเอียดประณีตลึกซึ้งรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยาก แต่ว่าผู้วิสัยบัณดิตสามารถที่จะรับรู้ได้ก็คือเรื่องของความรู้สึกตัวเรื่องของกายอาการของกายเรื่องของจิตใจอาการของจิตใจเรื่องของรูปธรรมนามธรรมที่เราสามารถที่จะรับรู้ทงางตะวันทั้ง6 อายตนะภายนอกภายในตากระทบรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิล้รสกายสัมผัสเราสามารถที่กระทบเรารู้สึกรู้สึกรู้สึกเพราะมันมีรูปแบบมีอริยบทรูปแบบอรยบทก็เป็นวิชาที่มันฝึกหัดจิตใจของเราอยู่ในกรอบ มันเคยทะยานอยากออกไปทำอยู่ในกรอบกลัมารู้ลมหายใจเข้าออกรับรู้จินก็เกิดความสงบขึ้นมาเกิดอะไรอีกหลายๆอย่างนอกจากความสงบเบื้องต้นเคยวุ่นวายกับวัตถุ ก, การมกวนไม่ก็กลับมารู้จักตัวที่ลมหายใจก็สงบเบื้องต้นจิตมัน รู้เป็นปัจจุบันที่เร า, าหายใจมันเห็นตัวเองนานๆเห็นร า, ายละเอียดต่างๆเกิดปัญญาญาณขึ้นมาได้แล้ ว, วิปัสสนาจากความสงบก็เปลี่ยนเป็นการตื่นรู้ข <No. S 1> ึ้นไปตื่นรู้เกยหลงตัวมันกลายเป็นรู้ตัวขึ้นมาอเช่ okay. วันนี้หลายคนก็จะพัฒนาจิตในการ ปฏิบัติในรูปแบบลงไปเนะดินโยกรมลงไปแล้วว่านั่งสร้างชัวะนะรู้ลมหายใจท้องพองยยบอะไรก็ตามเถอนะนะบางคนอาจจะทำงานทำการนะทำงานนะนะแต่ว่าก็เป็นการปฏิบัติทำไปด้วยในตัวนะนะอย่างวันนี้ผมราตามาก็ทำงานเหมือนกัน <c oughs> งานที่ทำก็เกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับวัตถุนะเป็นงานปลูกสร้างขยายาลานะก็สังเกตเหมือนกันนะตรงไหนเป็นความรู้นะทิมเคยรู้จากประสบการณ์เก่านะสัญญาความทรงจำนะก็ถูกจิบยื่นเอาไปใช้นะไปงานมันเดินนะมีความคืบหน้าในแต่ละวันในแต่ละวันงานเดิน ไมต้องชะ ง, งักนะเป็นไปแบบยุติธรรมทนะี่ว่ายุติโดยธรรมหมายถึงนะเวลาขนาดนี้ก็ควรทำงานไปได้ขนาดนี้นะไม่มากไปไม่น้อยไปเกนะี่ยวกองกับคนงานนะต้องบอกกับคนนะหลายๆคนนะให้ไม่ว่างนะต้องหยิบอันนั้นต้อง ต่อโดอันนี้งานจะได้ลาบเรื่อซึ่งเองแล้วทํำไมเจนจัดเรื่องแบบนี้เรียกว่าเสวลาเนิ่อช้ามากพระก่อสร้างเนี่ยเป็นภาพที่ทายอไปแล้วจริงๆน่ารังเกียจที่สุดนะพระทำเหมือนโยมโยมทําเหมือนพระไม่น่าละอายแต่เราก็ต้องมีสติเปรียบเทียบช่างหนักแล้วงานชิ้นนี้จะก่อประโยชน์อะไรบ้าง เหตุปัจจัยที่มานะเหตุที่ทำมันเกิดจากอะไรนะดำรีเกิดระจากอะไรนะผู้หลักผู้ใหญ่นะคือใครทีนะ่สามารถที่จะเหมือนกับว่าเรากระตันยุตตอบแนะทนที่จะปล่อยท่านอุปการละเราตลอดนะอยู่วัดป่าสุขตัวได้ปรนะโยชน์จากกุติสาลายตีปีก่อนก็ไม่มีอะไรนะสาาเล็กๆ สลาหน้าก็เตียยเตียสลาไก่ก็หลังเล็กๆตลา น, นี้ก็ยังไม่มีพอทำกรรมฐานปฏิบัติแล้วเคลื่อนไหวมันรู้สึกกับจิตมันเกิดสภาวธรรมบางอย่างเช่นมันจะไม่ปล่อยอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ปล่อยถ้าทำได้มันก็จะทำ หรืยิ่งครูบาอาจารย์ใช้หนึ่งครัง้งสองครั้ง3ามครั้ง4ี่ครั้งเนี่ยครั้งแรกอาจจะเฉยๆได้ครั้งที่สองอาจจะเฉยๆได้แต่ครั้งที่สาครั้งที่4ี่นะมันก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้ก็ดํำรีแบบนั้นอะไรที่มันดูแล้วจะเป็นคุณอะไรดูแล้วจะเป็นโทษสิงเดียวกันแต่มองต่างมุมเป็นคุณเป็นโทษจะชั่งน้ําหนักเอาตรงไหน เป็นเรื่องของแรงหรือว่ากําลังนะที่ทําไปแล้วเกิดกุศลแทนที่จะเกิดอกุศลงานบางชิ้นที่ทำไปแล้วเกิดอกุศลนะทําไปแล้วนะแทนที่จะได้รางวัลก็โดนลงโทษก็ได้นะทําไปแล้วนะแทนที่จะเป็นผลงานนะที่ทําให้เกิดคติก็าอา จ, จะเป็นอากติกันก็ได้ไนะแทนที่จะเป็นเอาโนโมธนาก็าอาจจะเป็นลักษณะของ สิ่งที่ทําให้เกิดความเสื่อมได้นะอันนี้ก็ยกมาให้ว่างานก่อสร้างนี่ทำไม่แน่ใจอย่าไปทําดีเดียวนะพระสงฆ์องค์เจ้านะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นคุณธรรมรองรับนะไม่ให้ตกไปสู่ไฟเสื่อมนะต่อมางานที่ทําให้เราเนะสียเวลาในการปฏิบัติธรรมก็คือการฝนฝายหานะอาหารการกินไม่ประมาณในการบริโภคต่างๆ ฟุ้เฟุ้ม่มเฟืยหรือพยายามสแสวงหาในความหิวอยาก เ, าเวลาไปปฏิบัติธรรมนี่มันจะยาก <c oughs> บางคนก็นมาดีเช่นปฎกเษียนมามีเงินเดือนหรือว่าเราออกจากงานมามีเงินเดือนก็ยังมีเงินที่แต่ละเดือนเป็นบำเหน็จบำนาญ มันก็จะเป็นเงินที่ใช้ใจสามารถที่จะซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อ น, น, นู่นก็ต้องประมาณในการบริโภคให้ได้ตรงไหนคือความพอดีต้องดูให้ออกเพระไม่งั้นสิ่งที่ทำจะเป็นอกุศลทันทีทันทีจะเป็นกุศลเป็นบุญเป็นบาปทันที เ, นเกิดลักษณะการเดินทางเสีย เ, เวลาได้ช้าดังนั้นการเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะหรือไปบัตรธรรมมันจะเป็นกรอบอยู่ตลอดเช็ค กายเช็คจิตของเรืได้ตลอดเรียกว่าปฏิบัตินอกรูปแบบนะตรงนี้เป็นต้นการหลับการนอนนะการหลับการนอนนี่ทําให้ซีเวลานะกลางวันแ ถ, ถ้าเหนื่อยนักนอนจเจริญสตินี่ไม่มีปัญหานะแต่อย่าหลับบางทีเดินเดินมาอาบน้ำไปทำเข้มนอนจะแล้วก็ไปทักอา้าวนอนเหรอปฏิบัติจเจริญสติในการนอนนะ อ๋อพอดีกําลังลงไปพอดีอาจารย์ก็มาเจอนี่แหละเอ็นนอนลงไปอาจารย์ก็มาเห็นพอดีอะไรเงี้ยการนอนนี่ทําให้เสื่ล้ำเวล า, าก็คือนอนมันคือศยศาสตร์นะคือศาสตร์ที่มันทําให้เกิดการหลับการไหลมึนงงจิตไม่แจ่มชื่ น, นเบิกบานป่องใสศัยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ก็ตรงกันข้ามอยู่แล้วพุทธาคือจิตที่มารู้ตื่นเบิกบาน จิที่รู้เตือนเบิกบานเนี่ยเนจิตที่มันพร้อมขยันที่จะดูสภาพตามต่างๆที่เรียกว่าทุกข์นั่นแหละเพราะไม่มีอะไระที่เกิดเกินมาอาการต่างๆมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันขนาดเนี้นความเย็นไม่มีมันมีแต่ความร้อนแล้วความร้อนที่ลดลงเราวิดศาร์ก็พไว้ชัดพุทสาสนาก็พูดไว้ชัดในโลกนี้ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันมีต่อาการทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมาเกิดดับเกิดดับตอ ต, ตื่นยันหลับแค่นั้นนะเพราะนั้นเราก็เลยมาศึกษากันเข้าวัดเข้าว่ามาวัดจิตวัดใจของเราจิตปกติแล้วจิตสุขจิตทุกข์อย่างไรโดยการทําบุญทาทานรักษาศีลจิตตภาวนาเรียกว่าทำร่างกายของเรา ทำจิตใจของเราให้มันเกิดความเป็นโพติมีศีลนะเรียก ว, ว่ามั่งคั่งร่ารวยไม่จนใจนะจนเงินไม่มีข้าวกินจะจนใจนะมันก็เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดียเด๋ยวหลงเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังนะจนใจก็เครียดนะคนเครียดคือคนจนนะคือจนใจมีปัญหาคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะมีลูกทุกข์เพราะลูกนะมีงานทุกข์เพราะงานนะจบดอกเตอร์ก็ทุกแบบด็อกเตอร์ ปริญญาโททุกแบบปริญญาโทเงี้ยเป็นตน้นเหมือนสมัยเพื่อการมียศสาวกุลบุตรยศสาวกุลบุตรเดินไปเดินไปทุกหนาทุกหนาทุกหนาะวนวายหนาุวนวายเนวุวนวายเนาะพระเจ้าก็บอกโอ้ไม่วุ่นวายหรอกไม่ทุกที่นี่ไม่วุ่นวายหนาะทีนี่ไม่สับสนหนา เธอจงมาสํานักของเราเถอะเสร็จแล้วก็พูดคนที่มันทุกข์เนี่ยนะกดทิศจิตใจสับสนวุ่นวายขัดแยง้งมีททุกข์เนี่ยคือคนที่ขาดบุญนะเธอก็จงทําบุญซะบ้างบุญคือเชองความสุขนะการทําบุญทําทานนะการให้วัตถุสิ่งของให้อภัยนะเป็นบุญการที่เราอนุโมทนานะรู้จักอนุโมทนาอุทิศ ส่วนกุศลอันนี้นเป็นบุญทำให้เกิดความเมตตาคุณามตตาแบกขาต่างๆเกิดสติปัญญาบุญมีมากมายหลายชั้นเหลือเกินแต่ว่าเธอทำบุญอย่าติดบุญนะทำทานให้แล้วจะติดการให้นะเพราะว่าการติดสุขเนี่ยมันเสียเวลาเสร็จแล้วเราก็จะระลึกถึงมาเออทำแล้วมีความสุข ทำแล้วก็ทําวันนี้วันนี้ไม่เสียดายแต่วันหน้ามันเสียดายอันนี้มันก็จะทําให้เราทุกได้เันอยติดบุญนะบุญคือการให้แต่ให้ถูกให้ด้วยวิจราราณให้เป็นประจําให้ด้วยจิตใจที่ปร่งใสให้สม่ําเสมอเสม อ, สมอต้อนเสมอปลายอย่างเงี้ยนะอันนี้มเป็นบุญต้องมีปัญญาด้วยนะการทําบุญทำทาน ยศสากูลองไปก็ฟังมันมีอย่างนี้เ้วนนะที่เราไม่มีความสุขก็นเนื่องจากขาดบุญขาดการให้นเองวัตถุหนึ่งสองสามพ่อแม่ให้เงินมาแบ่งเป็นสามกองพ่อแม่ไว้กองเดียวส่วนลูกให้สองกองเลยที่บนว่าวุ่นวายหนอทุกหนอทุกหนอสับสนหนอเพราว่าไม่รู้จะ บ, บริหารเงินยังไงนะทรัพย์ที่ได้มามราดกที่ได้มานะเคยแะแบมือขอแล้วก็ได้เลยนะ ใช้ชีวิตเป็นหนุ่มเจ้าสำราญไปวันๆแต่วันนี้ต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องปกป้องทรัพย์ที่เป็นกองมรดกที่พ่อแม่ให้ไว้มีมรดกขายกินก็ไม่ได้ต้องโอ้คอยเฝ้าระวังไปไหนไม่อิสระภาพพอฟังคำพูดขององค์สมัยสมมาบรเจาก็รู้สึกอ๋อมันมีอย่างนี้เลยนะต่อมาถ้าเราติดบุญติดความสุขเธอก็งจงดาลีออกจากกรมซะบ้าง วัตถุกรรมมงคลตาหูจมูกลิ้นกายใจเราได้มาด้วยกำลังด้วยความสามารถมีสาวสนมกานันในคอยบริการปนเปอือดีสีตีเป่าเติดเทิงที่ไหนไปที่นั่นหมอลำที่ไหนไปที่นั่นกีฬาดนตรีที่ไหนไปที่นั่นโอ้อันนั้นมาเป็นอโคจรนะเพราะนั้นเธอจะต้องดำรีออกจากการซะบ้าง ยศสาลก็ได้ฟังโอ้หนี่เราหนีจากบ้านมาจริงๆจากพาลานาะสีเดินมาจนะังถึงป่าอีสิบป่านนั้นลกไทยวันนะต่างหลายกิโลเกือบ10กิโลนะเดินมาจนกระทั่งเจอพุทธองคนะ์เราหนีมานะั่นแหลหนีจากบ้านนะพุทธเจ้าเองก็หนีจากวังนะหนีเข้าวัดนะยดศสากลบุตก็นหนีจากบ้านแล้วก็เข้าวัดอย่างเงี้ยโอ้มาเจอพุทธองค์เข้า การได้ยินได้ฟังว่าการดำรีอุจกรรมโอ้ใช่จริงๆนี่เราก็ดำรีออกจา ก, กาจรรมแล้วเนี่ยหนีจากกองมรดกเดินทิ้งมาเน่ยต่อรองเท้าแล้วก็เข้าวัดเข้ามาพระองค์ก็แสดงธรรมต่อว่าเออยศกุลบุตรเมื่อดำรีออกจากรรมแล้วก็เธอจงนะจเจริญสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4ี่คือมีสติไปในกายนะฐานที่1สติไปในเวทนานะฐานที่2นะ สตินะองไปในจิตในใจของเราซึ่งมันคิดเก่งนะตัวนี้นะสังขารเป็นช่างปั้นหม้อนะช่างปั้นหม้อไม่ว่าจะปั้นดีไม่ดีจะเป็นบุญเป็นบาปแตกทุกลูกนะสังขารการปรุงแต่งเป็นหม้อดินดันะนะะนั้นเธอจงเจริญสติมีสติไปในกายในเวนาในจิตในธรรมสี่ฐานแล้วนะนะนะเธอจะเห็นละอาการของกายของจิตนะเป็นทุกขนะ์เกิดดับเกิดดับทียิบเลย อันนั้นเรียกว่านะทุกอริยสัจสีนะ่ทุกกายแล้วทุกขังเธอเห็นไม่เห็นไม่นั่งเดินยืนนอนมันทุกนะ<ม>เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยนะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวร้อนเดี๋ย ว, นยวหนาวอ่อนแข็งต่างๆมากระทบนะต้องหายใจต้องขยับซ้ายขวาหน้าหลังต่างๆนั่งเดินยืนนอนนะนั่นแหละอาการมันแก้ทุกข์มันตลอดเวลาเวลาเลยใครมีร่างกายก็เทามีก้อนทุกทุกขัง นั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยนะสารพัดที่มันจะสดแสดงนะให้เราได้เหมือนกับว่าปนเปือรับใช้ตลอดเดี๋ยวแก่เดี๋ย ว, เ, ยวเจ็บนะทิ้งการรู้สึกคือนะทุกในจิตใจของเราเรียกว่าทุกข์อริยสัจสีนะ่จิตของเรานี่จะเผลอหลงเข้าไปนะปรุงแต่ง ในความคิดเกิดก็มาอาดีตบ้างอานาคตบ้างนะเดี๋ยวก็เป็นปัจจุบันวิภาวิจารณ์บางอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้นะมันเป็นความคิดนะการที่สังขารนะก็คือการปรุงของจิตนะปุญญาที่สังขารก็ปรุงเป็นบุญนะปุญญาที่สังขารก็ปรุงเป็นบาปนะมันผิดปกติทั้งคู่นะเพราะเราจเจริญสติปัฏฐานสี่ ใหเห็นทุกในเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับทียิบเลยการเกิดดับแล้วทุกในไตรักร่างกายของเราก็แสดงลักษณะ3มอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตจะแสดงลักษณะ3อย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งตัวเราก็คือโลกใบหนึ่งทั้งโลกใบนี้คือแผ่นดินก็คือโลกใบหนึ่งทั้งโลกคืออากาศใตยคือโลกใบหนึ่งเราก็ควรจะเห็นใช่สุข3ามอย่างล้น สุในโลกมนุษย์เป็นยังไงในโลกมนุษย์มีสุขก็ต้องมีทุกมีหัวรองก็มีร้องไหาเพราะนั้ mm hmm. นะนเราอยู่ในโลกนี้เป็นหรื อ, อยัง mm hmm. โลกคือร่างกายของเราฟางสอกยาวาหนาคืบ mm hmm. เราอยู่มันเป็นหรื อ, อยัง mm hmm. มีกายทุกรกายมีจิตใจทุกจิตใจหรือเปล่า mm hmm. ให้เห็นทุกอริยสัจสตาดูกรคิดต่อหูฟังกรคิดต่อ ท้ายสุดยศสาวกุลบุตรในบรรลนะุเป็นพระโสดาบันครั้งแรกเลยที่ฟังทำทำใจไปด้วยต่อมาพ่อเดินตามมาหาลูกลูกหายไปไหนมหาคนใช้ก็เห็นรองเท้าถอดอยู่ยนี่รองเท้าของลูกเราเนี่ยก็เดินไปขณะนั้นว่าเจ้าเองก็คงจะให้ยศสาวกุลบุตรไปแอบ แต่ในตำรายเขาบอกว่ามีฤทธิ์ใช้ฤทธิ์บงังตานะแต่ยังฤทธิต์ตัวนี้เราก็มองดูว่าก็คงแอบอยู่หลังกำแพงนั่นแหลนะแล้วก็เทศบทนี้ให้พ่อฟังพ่อมันรู้นะบรรลุเป็นพระโสดาบันยศกุลบุตรบรรลุเป็นพระรหลหันเลยรอบสองขนาะดไหมถึงว่าเงื่อนไขของการนะได้ยินได้ฟังเราค่อยๆ ย, นะยกจิตขึ้นไป เช่นกลุ่มบางจากมาปลูกต้นไม้กันเราก็ได้บุญนะ่นะบุญที่เกิดจากปลูกต้นไม้เนี่ยแหละนะเพราะต้นไม้ถือว่าเป็นเทวดานะต้นไมนะ้แต่ละต้นแต่ละต้นเนมันเทวดานะต้นไม้มีทะคุณไม่มีโทษนะให้คุณอย่างเดียวเลยรากบ้างต้นบ้างนะใบบ้างดอกบ้างผลบ้างนะใชนะ้ทำประโยชน์ได้มากมายสารพัดเละเกินแถม ให้ลมเงายามร้อนเข้าไปหลบพักจะบายวิจากรก็เลยชีว้ว่าโอ้โน่นอ่ะต้นไม้ให้ภิกษุไปตั้งกายให้ตรงนั่งลงตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มันแล้วก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกโนนต้นไม้นอนเลือนว่างนนทำนอนกองควางนะเพราะเราปลูกป่าวันนี้บาจาก เท่ากับสร้างสถานที่ไว้ให้นะโลกนี้เกิดภาระหรันเะดีลปลูกที่วัดทิวานะวัดมหาวันรัวภูหลงนะที่นั่นเคยเป็นป่าเผินใหญนะ่ตอนนี้ภูหลงก็ยังมีต้นประดูยักษนะ์ที่เชื่อกันว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นันะ่นหรือชื่อมะค่าแต้นะมะ่าแต้ ก็เป็นมะข่าที่ใหญนะ่แล้วก็มีอยู่ที่นั่นนะแล้วก็มีมะข่ามงเป็นมะข่าที่ต้นใหญ่แล้วก็มีอยู่ที่นั่นเราก็เออมีต้นไม้หลายชนิดนะทั้งประดูทั้งมะค่าแต้นะทั้งมะค่าโมงนะต้อตอนให้ลมเงาดูแล้วโอ้สงบลมเย็นเหมาะกแก่การภาวนานะหลายคนก็เลยเลือกว่าเออระหว่างป่าสุขโตสักคนเยอะนะกับไปที่ปูหลงต้นไม้เยอะนะ ก็วันนี้ก็เลือกไปที่ผู้หลงก็มีเหมือนกันนะก็เห็นว่ามันมีประโยชน์นะการอยู่ป่านะทำให้จิตของเรามันสงบแล้วก็เกิดความวิเวกนะที่สุดแล้วเราจะได้เห็นกายใจของเรานะแต่ก็มีหลายคนนะไปในป่าแล้วก็หลงป่าแล้วก็ตายในป่าหลงประเภทที่หนึ่งก็คือหลงจริงๆนะเช่นป่าเขาใหญ่นี่บ่อยมากนะโดยเฉพาะพระเนี่ยท้ายสุดเนี่ยก็แถบไม่อยากให้เข้าไปเลย ป่าเขาใหญ่มีพระกรรมฐานเขาก็ไปกันสองคนก็เดินจาริกทนะุ ด, ดงเข้าไปในป่าเขาใหญ่จะกะว่าจะเดินไปออกจองังหวัดนครนายกปรากฏว่าเดินไปแล้วก็หลงอะไรอย่าเนี่ยเพราะป่ามันทึบแล้วก็ป่าเป็นอีกชนิดนึงก็คือเวลากลางวันกลางคืนนะมันจะไม่เหมือนกันนะผมแล่าแต่มาเคยเดินหลงมาเทองแล้วนะตอนที่อยู่ที่เชียงใหม่ ตอนนั้นเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็ไปเดินป่ากับกลุ่มคณะของอาจารย์ระวีภาวิไลปรากฏว่าเย็นๆแปดเนี่ยอาสาเดินมาที่จอมทองมาเอาอาหารไปให้พวกคณะศึกษาที่นอนค้างพักแรมอยู่ในป่าพอกลับไปปรากฏมันมืดยิ่งเดินประมาณสองทุ่มสามทุ่มาป่าเหมือนกันเลยแล้วเผลอแค่หันไปนิดเดียวเท่านั้นแหะหันไปทางไหนเอามันเหมือนกันหมดแล้วอะ ก็เลยต้งหลงนอนอยู่ในป่าจนกระทั่งล่งเช้าอ่วงเช้าแทนที่จะได้ออกจากป่าไม่ได้ออกอีกเพราะว่าวันนั้นแสงพระอาทิตย์ไม่มนะีอากาศเย็นไปฝนต้นหนาวหมอกลงทึบระยะสั้นเห็นประมาณแค่แคนี้ก็ต้นเสาไม่รู้แล้วคืออะไรยิ่งแย่กว่าเมื่อคืนอีกนะก็เลยตัดใจเลือกเดินที่สูงไปเรื่อยจนกระทั่งออกหมู่บ้านเจ้าเขาบ้านป่ากกล้วยแล้วก็เดินนะทางออกมาทางถนนนะด้วยมอเตอร์ไซค์นะ แต่วันนั้นก็เท่ากับเดินะนะเพราะมอไซค์มันก็วิ่งไม่ไดนะ้ต้องช่วยกันเข็นออกมาที่จอมทองนะแล้วก็ตีกลับเนะข้าไปใหม่คราวนี้พระที่ตุ่งที่ เ, เขาใหญ่ปรากฏว่าทางกรมป่าไม้ก็แจ้งให้เอาฮอนะฮีรคัตเตอร์ไปสำรวจเพื่อที่จะดูว่าหลงอยู่ตรงไหนนะท่านก็ก่อไฟก็แล้วนะก็มองกันไม่เห็นเพราะหมอกกันเยอะบางทีก็ตากผ้าเหลืองไว ก็มองก็ไม่เห็นต้นไม้มันคลุ้มองี้คราวนี้จนกระทั่งก็มีความชัดเจนก็คือเห็นแล้วว่าอ๋อนี่ผ้าเหลืองตากอยู่ตรงนี้นะไปตากอยู่ที่โล่งๆแล้วสํารวจจนเจอก็เลยบินไปจอดข้างล่างนะก็ลงไปสํารวจดู ว, ว่าพระอยู่ที่ไหนกันนะก็ไม่เห็นพระนะไปดูบริเวณโดยรอบที่เครื่องบินมันจอดอยู่ไม่เห็นนะ ก็เลยตัด ใ, ใจว่าโอ้ท่านคงเสียชีวิตแล้วนะก็เลยเดินกลับมาขึ้นเครื่องปรกากฏว่าพระนั่งคอยแล้วนะสองรูปกลัวไม่ได้กลับไปนั่งคอยนะอยู่บนเครื่องบินนะเป็นข่า ว, ข, า ว, นน ข, าวข่าวเันจนกำลังสะกิดข่าวสะเก็ดข่าวก็มาลงมันน่าอายนะที่โพส่อย่างงี้มันน่าอายนะแต่ไปอย่างนั้นแล้วยอมตายแลนะ้เพราะฉะนั้นพระบางทนะีไปเดินจาาล็กสุมสี่สมหก็ได้ก็รังเกียดมากเลยนะ มัราปลูกป่าไว้ให้ผู้หลงเนีด่ดีเป็นวัดวาอารามพระอาจายเข้าไปใช้กันญาติาจารเข้าไปใช้ไปบัตรทำกันส่วนทางป่าไม้ต่างๆที่เขาดูแลรักษาอยู่บนหน้าอญทาณเดี๋ยวนี้ยิ่งห่วงห่วงห้ามมันเกิดห่วงห้ามพระเนี่ยไม่อยากให้เข้าไปเพราะเข้าแปงทียึดเลยนะหลังอะไรที่อยู่เห็นว่าสบายทำต่างๆเข้าไปแล้วก็ทําให้ระบบนิเวศนะมันเสียไปหมดเลยบางทีก็ เ, เอาดินเอาหิน เข้ามาก่อสร้างนะผลงานโมทนามากนะที่เราสร้างป่าที่วัดหมหาวันนะที่นี่บางจา ก, ก็เคยมานะเลมอนฟาร์มหรือว่าหลายกลุ่มก็มาปลูกกันก็ทั่งป่าด้านซ้ายนะนะอันนี้กลุ่มโรงพยาบาลของจังหวัดบุรีรัมณ์กนะับหลายจังหวัดใจภูมิด้วยอะไรด้วยนะก็ปลูกป่าจนกรทั่งเดี๋ยวนี้ได้ไปรับทำกันแล้วต้นยางประมาณ11ปี12ปีนะก็โตแต่ว่า ยังไม่เป็นนมใหญ่เต็มทีนะ่แล้วเราก็ได้เห็นว่าโอ้หลังจากที่ป่าแปงนี้เปลี่ยนไปจากยักษ์คานะป่ามะม่วงซึ่งไฟมันไหม้นะพบภูมิไม่ดีเลยสมัยก่อนนะมียาัคาแล้วก็เป็นป่าที่งูงเหี้ยวเขี้ยวขอชอบมาอยู่กันป่ายักษ์คานะงูจงอางโดยเฉพาะแถวนี้เคยมีป่ายัคาอยู่แม่ชีบางคนก็เดินสับสับสับสับสับ ส, บ ส, บสับเข้ามานะหาอยู่หากิน ปรากฏบางทีก็ เ, เจอจงอางมันก็ชูคอขึ้นมาเหนือป่ายาคาโยมถ้าเป็นโยมโยมกลัวไหมอยู่ๆเดินสับๆเจองูจงอางงูชงอางนี่เขาแข็งแรงมากเขาจะยืนได้สองส่วนในในสส่วนทั้งหมดเขาจะยืนได้แข็งแรงกับเนือ้อแข็งแรงกันนี่มันโผล่มาเหนือกอยาคาป่ายาค า, า, า, คาตัวดามาเมี่ยมเลยงูจงอางแม่ชีแกเห็นแกก็ เขาอ่อนนะแล้วก็ยกมือไหว้งูบัดดีจ้ากลัวมากชีนวนนะกลัวงนะูพอเปลี่ยนเป็นพบภูมเป็นป่ายางมันก็ไม่มีป่ายาคาขึ้นนะเราสังเกตนะโอ้นี่พบพูมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็มีเห็ดละโงกเห็ดโคนนะเห็ดพึ่งนะเห็ด น, น้าขาวเห็ดสารพัขึ้นเราก็ได้ประโยชน์จากป่าเป็นป่าชุมชนนะ ยามเช้าก็มีหลายคนเข้าไปเก็บเห็ดได้หลายกิโลนะเป็นเข่งเลยอยู่บนหลังเขาเนี่ยเป็นป่ายางแบบเนี้ยเพราะนั้นมันเกิดประโยชน์มากจริงๆป่าไม้ให้คุณค่ามากก็เลยน่าร่วมกันอนุโมทนานไม่ได้ไปปลูกอะแต่ว่าก็ขอร่วมอนุโมทนาด้วยกกลุ่มบางจากที่สากรวมตัวกันมาแดนไกลดีเดียวจากกรุงเทพแล้วก็เป็นเล่าหนาสาขาวิชาชีพ เท่าที่คุยมาเช้านะหลายคนต่างคนต่างมาเป็นมาค้าก็มีนะเป็นข้าราชการก็มีเป็นหมอนะแล้วก็ได้ฟังหมอท่านหนึ่งก็นาโมทนากับท่านเพราะว่าท่านทํางานแต่ว่าท่านบริจาคเงินเดือนให้กับมูลนิธิห้าหมูลนิธิเมูลนิธิ น, นั่นนะที่มเมื่อเช้าฟังฟังดูมันยังมีคนอย่างนี้อยู่ในโลกอีกเหรอทำงานแล้วแมวเงินเดือ น, ม, นมันฟังแล้วมันโอ้ถ้าประเทศชาติมีคนอย่างนี้ทั้งหมดนะ มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่าเราทำดีไปแนละ้วเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งกระดูกแฝนคอนะแล้วเราก็แคร์เสด้วยกับการทำดีแล้วคนบอกว่าเราไม่ดีนะเพราะงั้นการทำดีต้องมีกรรมฐานนะทำดีทิ้งไว้ให้กับโลกใครจะว่าไม่ดีเรื่องของเขาไม่เป็นไรอย่างงี้นะทำดีไม่ติดดีทำดีต้องให้ถึงดีทาดีต้องให้ถูกกาลเทศะ ทำดีต้องให้ถูกคนโดยถ้าคนอาคติแล้วทำดีเขา ก, ก็บอกว่าเราไม่ดีอะไรอย่าครับนะแต่เราก็ต้องเลือกนะทำดีให้ถูกคนบางคนทำดีแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เค็ดหลาบ ก, การทำดีไปเลยนะให้ก็ไม่ให้เอาก็ไม่เอานะกลายเปว่าชั้นแมว เ, เลยนะชันเก็บเงียบเลยอยู่คนเดียวในโลกท้ายสุดก็เป็นโลกเศร้านะ ซ, ซึมเบื่อเซง็งจนกระทั่งอยู่ในโลกนี้ได้ยากดังนะันะ้นเราก็จึงมารู้จักกันนะบางทีชีวิตของเรานะมันก็ ยังหลงทิศหลงทางอยู่เพราะฉะนั้นให้เรามีความรู้สึกตัวนะให้ความรู้สึกตัวหรือว่านะการที่เรารู้การกระทบของลมหายใจเข้าออกหรือว่าเรารู้การกระทบของนะมืออย่างเช่นตอนนี้เห็นพรยกมือสิบสี่ขึ้นไะบางจากบางคนบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะเรากําลังฝึกสติกันอยู่ฝนะึกสติจเจริญสติให้สติมจเจริญนะในสติมีศีล ส, สมาธิปัญญาต่างๆมากมายเหลือเกิน ดังนั้นเราก็ต่อยอดบุญเป็นกุศลกันนะมาทำดีแล้วผมก็ดีแล้วนะแต่ให้จิตฉลาดทำดีไม่ต้องเอาดีทำดีทั้งวันเหมือนไม่ได้ทำอะไรนะทำดีกับทุกคนทุกแห่งต้นไม้ใบหญ้าเม็ด ด, มดดินใสลมแสงแดดแม่นม้ำอากาศแล้วก็สัตว์สาราสิ่งนะบุคคลหนึ่งสองสามสัตสัตสวสิว่งนะให้มันเป็นอปมัญญาไปเลยนะทางานนะ เป็นความดีทั้งกายวาจาใจของเราทั้งแรงกายทั้งแรงใจทั้งแรงทรัพย์ ต, ต, ต, ตย่างต่นนะางในด้านนะเอาประดันก็ขอใหนะ้เราที่มาร่วมกันทำวัดเจ็นในวันนีนะ้ก็ขอให้บุญที่เราร่วมกันทำหรือว่าความดีที่เราได้ทำมาก็รวบรวมกันเป็นเหตุเป็นว่าปัจจัยํำจุหนอนส่งให้พวกเราทุกคนได้เจริญในธรรมยิงย่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งกองทุกนะเป็นเรื่องของนะ ลองรอยที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางแนวทางเอาไว้เดินทางไว้ก่อนเราก็เดินตามจนกทั้งสามารถที่จะถึงที่สุดแห่งกองทุกในประวัชิาตินี้โดยตั ว, วนากันทุกท่านทุกคนนั้นเติม